เรื่องภิกษุหลายรูป5้าสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินทางไปกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลเข้าไปหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็นคนทั้งหลายเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงได้อาราธนาดังนี้ว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านทั้งหลายเข้าไปเถิดครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความยำเกรงว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการจึงไม่ยอมเข้าไปพวกโจรได้ปล้นภิกษุเหล่านั้น คั้นภิกษุเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถีได้แจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้เข้าหมู่บ้านลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกะถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกลาแล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการได้ แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้อันหนึ่งภิกษุใดไม่บอกลาแล้วเข้าโมบ้านในเวลาวิการต้องอบัตไปจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ